ผมมองดูเรือนไทยแบบจำลองที่สถาปนิกจำลองสร้างขนาดเล็กอย่างสวยงามจับตาเขาสร้างขึ้นล่อใจผู้ที่จะสร้างบ้านแบบไทยแท้เมื่อดูแล้วผู้ใดชอบใจตามแบบก็จะสั่งดำเนินการ ก, ก่อสร้างได้ทันทีพร้อมทั้งแจ้งราคาไว้เสร็จสับผมหยิบแผนผังแบบพิมพ์เขียวขึ้นมาดูบ้างและตัวบ้านจำลองบ้างแล้วก็ถอนใจเมื่อเห็นราคาสิ่งก่อสร้างมันช่างมากมายเลยกระเป๋าผมที่จะสร้างได้ ถ้าพูดถึงสมัยโน้นการสร้างบ้านแบบไทยแท้แบบนี้จะต้องใช้เงินมากมายเท่าเดี๋ยวนี้ในชุ่มอธิบายว่าตามแบบนี้ถ้าสร้างจริงลดส่วนลงจะใช้เงินในราวห6แสนบาทก็สร้างได้ถ้าโตขึ้นไปอีกราคาก็เพิ่มขึ้นตามส่วนของมันผมตันใจเพียงจำนวนเงิน 5!6 แสนบาทนี้ผมก็หมดปัญญาจะสร้างแล้วถ้าสร้างมันเสร็จก็ไม่มีเงินจะติดตัวเลย แต่หัวใจมันจดจ่ออยู่แต่แบบบ้านไทยแท้แบบถอนตัวม่ขึ้นเพราะมันเป็นแบบบ้านที่ดีและเป็นแบบที่ได้ให้กำเนิดตัวเองมาพอต่อมาบ้านนั้นก็ได้อันตรธานหายไปเท่าที่มีอยู่คุ้มหัวอยู่เวลานี้นับทั้งที่เป็นของตัวเองบ้างและเช่าเขาบ้างจัดว่าเป็นบ้านแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบไทยทั้งนั้นในเวลานี้จึงคิดอยากจะมีบ้านแบบไทยที่เคยเป็นบ้านเกิดก่อนจะตายไปสักหลังหนึ่ง แต่ก็มาสมัยกําลังเงินเฟ้อซะด้วยสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างก็เลยแพงลิบลิ่วผมว่าคุณพลึกจะสร้างจริงๆก็สร้างได้นะครับคุณวิสุทธ์นายช่างสถาปนิกพูดและหัวเราะอย่างมั่นใจผมฟังแล้วก็หัวเราะบ้างอย่างไว้เชิงเพราะใจจริงนั้นรู้ตัวอยู่ว่าไม่มีเงินพอจะสร้างได้ถ้าสร้างแล้วให้เช่าต่อไปก็สร้างได้แต่ที่คิดจะสร้างครั้งนี้คิดจะสร้างอยู่เองจึงจะสร้างไม่ได้ ลงบ้านใหญ่ค่าใช้ใจ่ายก็ใหญ่ตามไปทั้งน้ำทั้งไฟจีปาทะหรือเพียงเครื่องแต่งบ้านก็แย่ซะแล้วเพราะจะต้องหาซื้อของใช้แบบไทยหายากด้วยสิแล้วก็แพงด้วยที่ทำให้หัวเราะแล้วก็ไวเชิงนั้นทำทีว่าจะสร้างจริงเงินก็พอจะมีหากแต่ยังจะใช้ทางอื่นก่อนผมลาคุณที่สุดช่างก่อสร้างกลับมาบ้านด้วยหัวใจวนเวียนแบบบ้านไทยที่เขาเขียนและแบบบ้านที่สร้างจาลองไว้อย่างลืมไม่ลง มันอดคิดถึงบ้านไทยแท้ๆที่ผมเคยยึดเอาเป็นที่กำเนิดเกิดมาเป็นตัวเป็นตนภายใต้บ้านหลังคาสูงๆเหมือนกันกันกบโบสถ์และทั้งฝาทั้งพื้นนั้นเป็นไม้สักบ้านที่ให้กำเนิดกับผมนี้ก็คือบ้านในตาบลพระราชวางังหรือแหล่งปากคลองตลาดที่มีโรงเรียนราชนีอยู่ใกลๆ้ๆแต่บัดเดี๋ยวนี้ที่ดินผืนนี้ได้กลายเป็นที่ทาการรัฐบาลไปซะแล้วและที่ที่หนึ่ง ซึ่งเคยเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าแล้วก็เต็มไปด้วยละหุงดงนางแย้มเป็นที่ติดกับบ้านเก่าของผมก็ได้กลายเป็นสถานีตำรวจพระราชวังไปแล้วประตูบ้านผมนั้นตรงกับช่องทางหนึ่งที่ตัดซอยจากถนนใหญ่ลงท่าน้ำมีชื่อว่าท่าข้ามที่ท่าน้ำมีท่าเรือจ้างข้ามฟากตรงคลองเข้าบางหลวง แล้วก็ท่าวัดกัลายาณมิตรช่องทางนี้ด้านซ้ายมือเป็นโรงพิมพ์ของกรมแผนที่เก่าด้านขวามือเป็นบ้านของพระยาอักขราชและพื้นที่ของพระยาอักขราชนี้ติดกับวังพระองค์จุลจักรพงษ์นั่นเองถ้าท่านผู้อ่านอยากทราบว่าบ้านเกิดของกระผมนี้แต่เก่านั้นเป็นบ้านท่านผู้ใดในตระกูลอะไรก็โปรดอย่าทราบเลยครับ เอากันเพียงเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันและเนื้อที่ดินกลุ่มนี้มีอยู่หลายบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านหรือร่วมตระกูลใกล้ชิดกับท่านผู้ใหญ่ของผมซึ่งนับทางสถานีตารวจพระราชวังบวกเข้าไปด้วยซึ่งเดิมทีเดียวสถานีตารวจนี้อยู่ในบริเวณตลาดท่าเตียนเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าโรงพักท่าเตียนในถนนรอบกำแพงเมืองนี้ถ้าจะนับซอยลงแม่น้าก็มีหลายท่าอยู่ด้วยกัน จะขอนับให้ฟังแต่สะพานพุทธไปหาตำบลท่าเตียนท่าที่หนึ่งคือท่าวัดเลียบท่าที่สองคือท่าโรงยาเก่าท่าที่สามคือท่ากลางท่าที่สี่คือปากคลองตลาดท่าที่ห้าก็คือท่าตรงท้ามซึ่งตรงกับประตูบ้านเก่าผมท่าที่หกท่าเตียนท่าที่เจท่าโรงโมซึ่งต่อจากนี้ไปมีอีกมากมายหลายท่าและจะไม่ขอกล่าว ประตูบ้านเกิดผมนั้นเขาก็ก่อสร้างตำแบบเก่าล่ะครับซึ่งในสมัยนี้จะไม่เห็นอีกแล้วประตูที่ใหญ่แล้วก็หนาเอถอะทะเพราะว่าสองข้างประตูที่ผ่านเข้าออกจะมีห้องของคนประตูอยู่ด้วยจึงทำให้ประตูหนาเอถอะทะตลอดเวลาจะมีคนที่คอยเฝ้าประตูนั่งอยู่หน้าห้องเสมอสองคนเพื่อรายงานกับคนเข้าออกที่จะมาหาเจ้าบ้านพอผลประตูเข้าไปทั้งสองด้านริมรั้วบ้านจะมีห้องทีมแถว ปิดประตูรั้วบ้านเป็นพืชเพื่อล้อมรอบตัวบ้านทิมแถวนี้ก่อสร้างโดยฝาถือปูนหลังคากระเบื้องพื้นห้องยกพื้นด้วยไมย้ห้องที่กล่าวนี้เป็นห้องของบริวารห้องของวงสาคณาญาติบ้างบางคนส่วนตัวบ้านของท่านเจ้าบ้านนั้นอยู่ตรงกลางพื้นที่บ้านใหญ่ตรงกลางนี้แต่ก่อนเรียกกันว่าตำหนักแต่ว่าเราอย่าไปพูดกันเลยเราพูดกันว่าตัวเรือนก็แล้วกันเป็นบ้านยกพื้นสูงใช้เสาใหญ่ๆปลูก รูปร่างเรือนอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีชา้นชลาแล่นกลางที่สร้างด้วยอิฐแล้วก็ปูนถ้านับจากซ้ายมือขึ้นไปหลังจากขึ้นบันไดปูนแล้วเดินเล็กน้อยก็จะเดินเข้าประตูรั้วอีกชั้นหนึ่งเข้าสู่ชา้นชลาใหญ่แล่นกลางด้านซ้ายมือ น, นั้นมีเรือนขนาดใหญ่สองหลังแผ่นติดกันมีแต่ฝาบ้านแต่ว่าไม่มีฝากั้นเป็นห้องปล่อยโล่งเหมือนโรงขนไม่มีคนอยู่เลย ความใหญ่โตของเรือนแฝดนี้ทําให้ดูน่ากลัวส่วนเรือนด้านขวานั้นมีฝาห้องเรียบร้อยปิดประตูตายเสมอไม่มีคนอยู่มีความใหญ่เท่าๆกับหลังแฝดนั้นครั้นสุดชานชลานี้ไปจะมีบันไดปูนลงสู่สวนดอกไม้แต่ว่าด้านสุดชานชลานี้ยังมีปูนเลี้ยวเข้าสู่ตัวเรือนใหญ่อีกหลังหนึ่งก่อสร้างผิดกับสามหลังที่กล่าวมาแล้วเพราะว่าสามหลังที่ผ่านมานั้น จะมีการสร้างแบบไทยแท้เป็นเรือนฝาลูกปะกนทั้งพื้นและฝาเครื่องบนไม้สักล้วนแต่ว่าหลังที่สานี่สิการก่อสร้างมีแบบจีนปนฝาเรือนถือปูนแต่พื้นไม้เป็นไม้สักหลังคาทําแบบจีนเกลกลา ย, ลายฝาผนังเรือนทุกด้านเขียนภาพเรื่องจีนทุกด้านเป็นเรื่องสาม ก, ก๊ก ที่บานประตูหน้าต่างเขียนภาพตัวสำคัญในเรื่องใหญ่ๆดูท่าทางน่ากลัวถือหอกถือดาบมีหนวดมีเครายาวเฟ้ยแต่ผมไม่กลัวนะเพราะผมเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกถ้าเวลานอนไม่หลับจะนอนดูภาพเหล่านั้นจนนอนหลับไปนี่แหละครับท่านผู้อ่านที่เคารพแบบบ้านเก่าแก่ที่ให้กำเนิดชีวิตมาส่วนการตกแต่งบ้านผมไม่มีความรู้เลยว่าทาไมท่านผู้ใหญ่ท่านจึงตกแต่งบ้านเป็นจีนเป็นไทยก็ไม่ทราบเหมือนกัน หรือบางที่อาจจะให้เข้ากับชุดกระถางต้นไม้ลายครามก็เป็นไปได้แบบบ้านและก็ความเป็นอยู่แบบนี้ผมเคยเบื่อหน่ายว่าเป็นโบราณเบื่อเลื้อทนอยากจะพ้นจากการเป็นโบราณแล้วก็พอดีกับฐานะของผู้ใหญ่ที่ผมรักษาไว้ไม่อยู่จึงอันตรทานไปจนหมดสิน้นครั้นพอมาโตเป็นผู้ใหญ่เข้ากลับหัวนคิดอยากจะมีบ้านแบบเก่าเป็นไทยแท้ที่เคยให้กําเนิดมาก็หมดโอกาสซะแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้ใช้ผายผายไปเป็นแบบอื่นพ้นการเป็นไทยไปจนหมดสิน้นเพราะว่าตัวเองเป็นไทยก็อยากมีอะไรเป็นไทยไทยไว้กับตัวแต่ก็ไม่มีแล้วเมื่อผมเด็กๆอยู่ในบ้านแบบเก่าๆตอนเช้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นผมก็จะชวนเด็กคนใช้หญิงอายุรุ่นรุ่นกันสองสามคนวิ่งผ่านชานชลาใหญ่ผ่านเรือนสามหลังนี้ ออกพ้นรั้วเรือนลงสู่ชานบันไดเก็บดอกกัญญิกาที่ยืนต้นอยู่สองข้างบันไดดอกมันจะหอมระเรื่อื่นอ่อนๆถูกลมโยกร่วงเกลื่อนพื้นอยู่เราจะเก็บใส่ขันเล็กๆจนเต็มปริีแล้วก็นําไปให้แม่ถ้าหน้าหนาวเราก็จะแวะเก็บดอกละดาวันที่อยู่ข้างชานปูนจะเข้าเรือนเราก็หอมฟุ้งตลบไปทั่วทั้งกลิ่นสายหยุดที่บานเช้าในสวนจะโชยขึ้นมาตลบบ้าน พอตอนสายเราก็จะลงไปเก็บดอกปีบที่ข้างล่างซึ่งมันหอมชื่นใจนักดมสะพอใจแล้วก็เอามาฉีกเป็นเส้นๆตากแดดให้แห้งให้คุณพ่อกับคุณลุงใส่ปุ๋ยปนกับยาเส้นริชมอมมวลสูบหอมฟุ้งดีนักกลางวันผมจะลงเล่นกับเด็กผู้ชายข้างล่างบุกดงไม้บ้างปีนป่ายต้นไม้บ้างสนุกสนานนักแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือรถม้ากเก๋งที่ถือว่าล้าสมัยแล้ว ตัวถังเป็นเก่งประดับกระจกสีต่างๆเขาขึ้นนั่งกันใครอยากเป็นสารถีก็ทําท่าขับอยู่บนที่นั่งสารถีเหยียบระคังกันกิ้งแก้งกิ้งกังแต่ว่าส่วนรถมารุ่นใหม่เราเล่นไม่ได้คนขับรถขอร้องบอกเราว่าไม่ให้เราเนี่ยเล่นคุณพ่อกับคุณลุงชอบเที่ยวกลางคืนเสมอพอตกบ่ายท่านทั้งสองจะสั่งเทียมมา้าแล้วก็ออกจากบ้านไปกว่าจะกลับก็สามสี่ทุ่มไปแล้วน่าประหลาดนัก คุณพ่อของผมคุณลุงของผมมีนิสัยเป็นนักเลงมีอำนาจใหญ่โตไม่กลัวใครแต่ทั้งสองกลัวผีนักท่านกลับจากเที่ยวจะผ่านชาญชลานั้นไม่ได้เลยกลัวทั้งเรือนแฝดและก็เรือนหลังที่ปิดตายผมมารู้คราวหลังว่าเรือนหลังที่ปิดตายนี่เป็นเรือนหลังที่ทำสำหรับเก็บศพปู่ย่าตายายตายลงก็เอามาตั้งศพทำบุญที่นั่นสวดกันไปจนครบกำหนดก็จัดการเผากันไป หมดธุระแล้วก็ปิดตายไว้เฉยๆมันก็เลยดูน่ากลัวส่วนเรือนแฝดที่ปล่อยโล่งนั้นเมื่อก่อนเป็นที่ซ้อมโขนละครมีงานก็ใช้ละครแล้วก็โขนของตัวเองเรือแนแฝดนี้จึงใหญ่เท่าๆกับโบสถ์ที่วัดเล็กๆใหญ่เท่ากันทั้งเรือนเก็บศพพวกผู้หญิงในบ้านก็กลัวที่แถวชานชลาลนี่เหมือนกันพบข้าแล้วก็ไม่ออกมาเลยฉะนั้นจึงต้องมีคนในบ้านข้างล่างต้องขึ้นมานั่งคุยกันเพื่อคอยคุณพ่อผมกับคุณลุงกลับมา และที่น่าประหลาดที่สุดก็คือคนแต่ก่อนนั้นถ้าเป็นชายมักจะมีนิสัยชอบมึนเมาถึงกษักริยันั่นก็คือเหล้ากัญชายาฝิ่นพวกที่มาคุยกันที่เรือนแฝดจึงเป็นพวกกัญชาทั้งนั้นคุยกันคลื้นเครงทุกคนคุณแม่ผมมักเห็นใจพวกที่นั่งเฝ้าจะมีขนมจันทร์อับที่พวกจีนกินกันกันกบน้าชาเอามาให้อยู่เสมอมีหลายชนิดด้วยกันห่อใหญ่เบรอร์หสตางค์ดสตางค์ กินกันได้ตั้งห้าหคนแล้วก็อิ่มเอาการไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเคลือบน้ำตาลถั่วตัดงาตัดข้าวพองจับกิ้มเต้ารั่วแล้วก็อะไรอะไรอีกสองสาอย่างพวกคอกัญชานี่โปรดปรานกันนักสูบแล้วก็มีขนมกินกันคืนยันรุ่งก็ยอมอยู่เรื่องที่เขาคุยกันนั้นมาคราวหลังก็รู้ว่าโกหกทั้งนั้นแต่เด็กๆรู้สึกว่าฟังเขาคุยแล้วติดใจ เด็กที่จะมานั่งฟังเขาคุยกันนั้นมีเฉพาะคนเดียวเท่านั้นพวกเด็กผู้หญิงต้องนอนแต่หัวค่ําเขาตั้งวงสูบกัญชาแล้วก็คุยกันที่มุมเฉลียงตัวเรือนแฝดคุณแม่ผมอนุญาตให้ไปฟังเขาได้ในเขตเวลาสามทุ่มพอได้เวลาคุณแม่จะไปตามและพวกนั้นก็กราบไหว้ขอสตางไว้ซื้อกัญชาสูบคืนหลังเรื่องที่เขาคุยกันนั้นแม้จะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ผมก็ไม่รู้จักจะวิจารณ์ได้ รู้สึกว่าเรื่องต่างๆของเขาสนุกโลดผลดีนักและมักจะทุกเรื่องเขาจะเล่าว่าเขาได้ไปท่องเที่ยวกับพวกฝรั่งทั้งนั้นบางทีเขาก็ว่าไปทำงานกับฝรั่งคนที่เล่านี้ชื่อในพลอมีฟันหลออายุแก่คราวลุงผมไม่คำหนึ่งว่าคนที่สูบกัญชาที่มีสารรูปอย่างนั้ น, นะหรือจะไปทำงานกับฝรั่งได้อย่างไรเขาคุยกันอย่างไรผมก็พอใจฟังอย่างนั้น คุณแม่ผมหัวเราะบ่อยๆเมื่อผมนําไปเล่าให้ฟังว่าลุงคลอเล่าอะไรๆให้ฟังบ้างคุณแม่ก็จะว่าโอ๊ยไอ้คลอมันโกหกหลอกเด็กยายคืนหนึ่งลุงคลอเล่าให้ฟังว่าได้เคยเดินเรือทะเลไปเมืองฝรั่งแต่เมืองไหนลุงคลอไม่ได้บอกแกก็ว่าแกไปพบคลื่นใหญ่เข้าอย่างจังแทบจะเอาเรือไปไม่รอดคลื่นแต่ละลูกโตเท่าภูเขาผมฟังแล้วก็พลอยกลัวไปด้วยเพราะว่าคําว่าทะเลนั้นมันกว้างใหญ่นัก เห็นแต่น้ำกับฟ้าเท่านั้นลุงเพลาบอกว่าปลาแต่ละตัวโตเท่าลำเรือที่ไปพูดเท่านี้ก็น่ากลัวแล้วถ้าเรือล่มลงปลาก็กินคนหมดลุงเพลาบอกว่าโดนคลื่นหนักอยู่3มวันสามคืนในวันรุ่งขึ้นจึงได้รู้ว่าคลื่นใหญ่นั้นที่แท้คือมังกรขึ้นเล่นน้ำนั่นเอง แกบอกว่าทุกคนในเรือร้องกันลั่นเมื่อเห็นหัวอะไรใหญ่เท่าบ้านมีหนวดยาวที่ใต้คางมีหนวดข้างจมูกสองเส้นยาวเท่าเสาไฟฟ้าสองต้นต่อหัวสัตว์ที่เห็นเป็นเงามืดๆนั้นมีเข่าสองเขามันชูคอยาวพ้นน้ำทะเลที่มีคลื่นจัดบนท้องฟ้าก็มีเมฆมืดม้วนตัวอย่างบ้าคลัง่งเจ้าสัตว์นั้นหันหน้ามาดูเรือไฟทุกคนร้องกันลั่นว่ามังกร ผมผู้ฟังสะดุ้งใจไม่เคยเห็นเลยว่ามังกรมันเป็นสัตว์รูปร่างอย่างไรรูปร่างมันเป็นอย่างไรนะลุงเพลผมถามผู้ฟังหลายคนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าพุทธโยยังเด็กจะเคยเห็นที่ไหนกันละ่นนะนี่แหละนี่แหละมังกรรูปมันอย่างนี้ลุงเพลพูดจบแล้วก็จับแขนในตั๊กที่นั่งฟังอยู่ให้ยื่นออกมาอตาตั๊กคนนี้สักรูปมังกรไ้ที่แขนผมก้มดูที่แขนอย่างสนใจ ตัวมันยาวเหมือนงูแต่มีสี่ตีนไอ้ทิดตักเนี่ยเขาก็พบมังกรมาเหมือนกันเขาก็เลยสักแขนไว้ดูกลัวจะลืมรูปร่างมันซะลุงพลอพูดถึงในตักให้ผมฟังพูดถูกกล่าวนายิ้มอย่างภูมิใจมันกัดเราหรือเปล่าครับผมถามเกือไปละสิดีแต่นายฝรั่งสั่งยิงปืนใหญ่ไปสามนัดมังกรก็เลยว่ายน้าห่างออกไปแต่คลื่นก็ยังจัดอยู่อย่างนั้นนะพวกเรานี่ก็ หกล้มหกลุกกันแย่ไปเลยลุงพลอพูดฉันกลัวมันชูคอขึ้นมากัดพวกเรานี่ยสิผมว่าไม่กล้าหรอกปืนใหญ่เข้าใครออกใครเมื่อไหร่ละ่ะมันว่ายห่างออกไปแล้วมันก็คำรามเสียงสะท้านกึกกล้องเลยพูดแล้วขนลุกเสียงมันน่ากลัวมากเลยนะพูดแล้วลุงพลอก็ยื่นแขนให้ผมดูว่าขนที่แขนของเขานี่ลุกผมก็มองดูแต่ขนคนเราเนี่ยมันจะลุกได้อย่างไรผมไม่เคยรู้ พวกคอกัญชาทั้งหลายร้องอือไปตามๆกันบอกว่าน่ากลัวริศของมังกรลุงพลอสูบกัญชาขัดจังหวะก่อนแล้วชี้ที่แขนในตักมังกรตัวเนี้ยที่เจ้าตักสักไว้เนี่ยสียังไม่สวยแต่ตัวที่ผมเห็นนะกุณแดงอุ้ยมันสวยพิลึกเลยครีบหลังมันเนี่ยอย่างเงี้ยยังกะปลา ก, กัดเขียวแดงสดใสจริงๆแต่ว่าเกล็ดตามตัวมันน่ยสีร้ายมากเงาวับตัวมันเปียกพอถูกแสงแดดเท่านั้นนะ มันแวบเข้าตาโอ้โ ห, หตาแทบบอดลวงพลอพูดจบแล้วก็หยิบขนมที่ผมเอาไปให้กินอย่างสบายใจพวกฟังก็อือสนับสนุนกันแล้วก็ต่างกินขนมกันลวงพลอพูดจบลงไปแล้วในตั๊กก็เป็นผู้เล่าเรื่องการผจญภัยบ้างพวกกัญชาต่างตั้งใจฟังตาเชื่องเชื่องในตั๊กบอกว่าเขาได้ไปล่าสัตว์กับฝรั่งผมตื่นใจจริงๆพวกนี้คบกับฝรั่งทั้งนั้น เขามักจะพูดว่าฝรั่งสั่งงานอย่างนั้นฝรั่งสั่งงานอย่างนี้เขาทำเสียงพูดอย่างแขกยามแล้วก็บอกว่าเป็นเสียงฝรั่งพูดเขาว่าฝรั่งพูดเองทำดีมากมากฉันขอบใจเองน่าแปลกที่ฝรั่งชอบพูดเองเองค่าค่าันชันแต่ผมนี่สนใจเรื่องการล่าสัตว์มากกว่าอะไรจึงตั้งใจฟังเขาบอกว่าการล่ากวางล่าอีเก้งนี่ลาบากมาก บังเอิญที่ชุมนุมสูบกัญชานั้นอยู่มุมเฉลียงเรือแนแฝดที่เสาต้นหนึ่งมีหัวกวางแขวนอยู่มานานมากแล้วในตั๊กก็เลยแงนหน้าขึ้นชี้มือไปที่หัวกวางนั้นแล้วก็ร้องบอกว่าไอ้ตัวนี้สิครับคุณแดงกว่าผมจะได้มานะหูเลือดตาแทบกระเด็นในตั๊กบอกโอ้ยลำบากกับมันมาเหลือหลายเนี่ยมันตายก็เลยเอาหัวมาแขวนไว้เป็นที่ระลึกเขาพูดผมก็แงนดูหัววางนั้นดวงตามันแจ๋ว เขาสวยงามมากโอ้โหตามันยังเจ๋วอยู่เลยอะ่ะเหมือนมันยังเป็นๆอยู่เลยนะพวกกัญชาคนหนึ่งพูดนี่ฝรั่งเขาใส่ยาไว้เนื้อหนังไม่เน่าดูยังกะเป็นๆ เ, เลยในตั๊กอธิบายความจริงหัวกวางหัวนี้ผมเคยดูเสมอแล้วก็เคยชมว่าเขาช่างทําเหมือนของจริงแท้คุณแม่เล่า ว, ว่าเขาทําที่เมืองฝรั่งแล้วห้างแขกเอามาขายคุณพ่อเนี่ยซื้อไว้นานแล้ว สำหรับแขวนเสื้อแขวนหมวกพวกที่มาในงานศพคุณย่าแต่ว่าในตั๊กว่ากวางตัวนี้เป็นกวางตัวที่ได้มาจริงๆมันตายฝรั่งก็เลยใส่ยาไว้ก็เลยไม่เนา่าผมผู้ฟังก็ชักอึกอะเอหรือว่าคุณแม่จะไม่รู้เรื่องเดิมของเขากระมังก็เลยนึกว่าคุณพ่อซื้อมาก็เลยบอกกับผมแบบนั้นในตัก๊จกจับมาได้ยังไงล่ะครับผมถามพร้อมกับแงนดูหัวกวางตัวนั้น อ๋อจับได้ตอนที่ไปพบมันกำลังยืนเก็บลูกเกตกินอยู่นะสิเขาว่าโอ้โหในป่ามีลูกเกต ด, ด้วยเหรอผมร้องด้วยความตื่นเต้นและลูกเกตเนี่ยเป็นของชอบซะด้วยโอ้โหเกลื่อนปลาเลยเหยียบแลกไปกับดินเลยแหละเขาพูดแล้วก็โบกไม้โบกมือแสดงว่ามันเยอะมากมายแหมน่าเสียดายหายากจะตายผมครางเบาๆมันของหายากผมลิงโลดรู้สึกว่าในป่า ช่างน่าสุขสบายลูกเกตก็มีกินมันหวานอร่อยนักคุณแดงเอ้ยทำวุ่นบังเอิญผมไปเหยียบกิ่งไม้หกักมันได้ยินเข้าน่ะสิมันก็เลยวิ่งหนีเข้าซอกเขาผมออกวิ่งตามทั้งวันก็ไม่พบฝรั่งดา่าก็ n ดมก็ a ดมผมซะแย่เลยเขาว่าบ้แล้วกันพวกกัญชาที่ฟังก็เสียดายแล้วทำยังไงถึงได้มาละเจ้าตัวนี้เนี่ยรุ่งขึ้นนะสิในตากว่า เวรของมันเองมันวิ่งหนีไปติดดงระกำรรก็เลยจับได้พูดถึงดงระกำรรพวกเราโว้ยมันดกป่าเหลือเกินโอ้ยฉันเก็บกินซะจนอิ่มเจ้ากวางนะ่ะปล่อยมันไปก่อนหนีไปไหนไม่ได้หรอกติดแน่นเลยฉันนี่กินระกำรรเพลินไปเลยหวานสนิทในตักพูดแล้วก็มองหน้าผมผมก็พลอยชื่นชมไปด้วยระกำรรหวานคุณแม่เคยซื้อให้กินหวานแล้วก็หอมดีฉันแรกผมคิดว่าต้นไม้สวนที่แท้มีอยู่ในป่า พอผมกินดราการมอิ่มก็จัดแจงเอาเถาวันผูกกางเกงเลยจับเป็นเหรอลุงผลอถามอย่างนั้นแหละในตั๊กตอบอย่างภูมิใจฉันเน่ยจูงเดินต๊อกตอเดินไปไหนมันก็ตามไปด้วยไม่หนีเลยอืมันเชื่องน่าสงสารคนอื่นๆพูดฉันก็เลยขอกับฝรั่งบอกว่ากวางตัวเนี้ยอย่ายุ่งกับมันเลยเพราะฉันจับของฉันได้ฝรั่งก็ยอมฉันไปไหนก็จูงมันไปก็ต้องจูงหาลูกไม้ให้มันกินอยู่ทุกวัน แม้คุณแดงก็รับลูกพลับสดเกลือนปลาไปเลยผมกินสะพูงกลางให้เจ้ากวางกินด้วยผมฟังแล้วก็สูดปากอยากไปป่า ก, กับเขาบ้างมีผลไม้กินมากมายไม่ต้องกินข้าวก็ได้แบบนี้นี่เองพระฤาษีจึงชอบอยู่ป่าเพราะว่ามีอะไรๆกินสบายไงเล่ากวางตัวนี้น่ารักแล้วก็น่าสงสารมากนะมาตายเอาที่วังนี่เองในตักว่ามันท้องเดินแล้วก็ตาย ใครก็คงจะแอบเอาอะไรไปให้มันกินนี่แหละมัง้งท้องมันก็เลยเสียทําให้ตายผมก็เลยเอาหัวมันมาแขวนไว้ดูเป็นที่ระลึกเพราะว่าลําบากตรากตรํา ม, มาด้วยกันตลอดป่าในตากเกล้าจบทุกคนถอนใจแล้วก็แงนดูเจ้ากวางตัวนั้นด้วยความสงสารในขณะนั้นเองได้เกิดเสียงประหลาดขึ้นในเรือนแฝดนั้นมันเป็นเสียงสัตว์ร้องอยู่ในความมืดของตัวเรือนใหญ่พวกกัญชามีสีหน้าตกใจลุงพรอดร้องออกว่าเอ๊ะเสียงกวางนี่ฮะ ทุกคนเหลียวไปดูตามเสียงนั้นแต่ความมืดเพราะไม่มีแสงไฟเราก็มองตั้งนานจึงเห็นภาพเจ้าของเสียงอยู่ที่กลางตัวเรือนนั่นเองทุกคนตกใจมันเป็นความจริงเสียงที่ร้องนั้นมีตัวมีตนกวางตัวขาวโพลนยืนอยู่ในความมืดในท่าทางตกใจและระแวงภยัยไม่มีใครรู้ว่านั่นมันมีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเปลี่ยนจากท่านั่งธรรมดาเป็นนั่งยองๆตาเบิกกว้างจ้องมองเจ้ากวางขาวโพลนตัวนั้น และในขณะนั้นเองเจ้ากวางนั้นก็กระโจนลงที่ชานชาลาแล้วมันก็หายไปเฉยๆเอ้ยผีว้อยใครคนหนึ่งร้องขึ้นพอขาดคำร้องจึงเกิดอลวงขึ้นทุกคนผลลุกฮือขึ้นบางคนวิ่งผมนั่นเองพอคำว่าผีดังขึ้นผมก็ผลักออกวิ่งมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเรือนที่คุณแม่และคุณป้ายังนั่งคุยกันอยู่ทั้งสองคนตกใจเมื่อเห็นผมวิ่งเข้าไปหา เมื่อคุณแม่และคุณป้าฟังผมเล่ากลับดุผมอย่างหนักว่าไปเชื่อคำโกหกของเจ้าพวกสูบกัญชาผมถึงกับเถียงว่าผมก็เห็นกวางตัวนั้นจริงๆวิ่งอยู่ในเรือนแฝด ต, ตัวมันขาวราวกับกระดาษคุณแม่กับคุณป้านิ่งอึงแต่อ้อมแอ้มว่าไอ้พวกนี้เล่นสับ ป, ปดนมันทำขึ้นมาล้อเด็กพูดแล้วก็ไล่ผมเข้าเรือนแล้วคุณแม่คุณป้าก็รีบปิดประตูเรือนและทั้งสองก็มองตากันพลางไล่ผมเข้ามุง้ง ผมไม่มีความรู้สึกว่าผีหรือไม่ใช่ผีมองเห็นมันเป็นกวางจริงๆผมนอนคิดถึงเรื่องกวางตัวนั้นที่นหนตักเล่าให้ฟังทุกๆตอนจนหลับไปรุ่งขึ้นผมได้ยินคุณพ่อพูดว่าเมื่อคืนแปลกใจนะที่จะพวกรันชาที่เคยนั่งคอยรับอยู่ที่เรือนแฝดแต่เมื่อคืนเอ๊ะทำไมมันพากันคอยอยู่ที่ประตูหน้าบ้านกันหมดคุณแม่มองหน้าผมแล้วก็มองดูคุณป้าทั้งคุณแม่แลวก็ผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับกวางที่เรือนแฝด ความรู้สึกของผมเหมือนฝันไปเมื่อไม่มีใครพูดเรื่องกวางมันก็เงียบเป็นไปหลายวันต่อมาคนใช้ผู้ชายที่อยู่ข้างล่างเด็กขึ้นมาเปิดหน้าต่างที่เรือนแฝดทุกๆด้านพอมีแสงสว่างขึ้นก็ดูเรือนใหญ่แฝดนี้ร่มรื่นน่าอยู่น่าชม มองลอดหน้าต่างออกไปจะเห็นกิ่งไม้ดอกต่างๆทอดยอดทอดก้านให้เห็นสีใบเขียวอ่อนเขียวแก่แล้วก็ใบเหลืองนวลของต้นแสงจันทร์และใบสีแดงสีม่วงบางชนิดสลับสีกันสวยงามมากเรือน2องหลังแดดนี้ถ้าเปิดหน้าต่างซะทั้งหมดความมืดทึบน่ากลัวก็จะหมดไปกลับหน้าจะไปนั่งเล่นนอนเล่นซะส่วนใหญ่ ผมกับเด็กคนใช้ผู้หญิงได้ชวนกันไปเล่นที่นั่นเหนียวกิ่งไม้เก็บดอกไม้กันสนุกใครสมัครเล่นขายข้าวขายแกงก็เที่ยวเก็บใบไม้มาหั่นต่างกับข้าวทํากินทําขายสนุกสนานกันตามประสาเด็กๆกันเลยทีเดียวเมื่อเล่นๆกันอยู่ก็มีลมพัดมาอย่างเย็นดีทําให้ชักง่วงเรือนแบบเก่าหลังนั้นหลังคาสูงคล้ายกับหลังคาโบสถ์จึงปะทะเอาความร้อนของดวงอาทิตย์ไว้ไม่ปล่อยลงมาข้างล่างเลย ตอนแรกๆพวกเราเอนตัวนอนกันเล่นๆก่อนลงท้ายก็เลยหลับไปทั้งหมดสามคนแต่ว่าตัวผมจะหลับสนิทหรือไม่ก็ไม่ทราบหูได้ยินเพลงละครเสียงลูกคู่และต้นเสียงเพราะวังเวงจับใจมันเป็นเสียงเล่นละครราเนื้อเพลงราพันน่าสงสารจับใจและผมก็เห็นภาพขึ้นถนัดตาเป็นละครเรื่องพระรดเมรีนางเมรีตามพระรดมาทันกันที่ชายน้าที่สายน้าเป็นกรดข้ามไม่ได้ แต่พรลข้ามไปแล้วฝ่ายเมรีก็ตัดเพ้อต่อว่าและอ้อนวอนอยู่คนละฝั่งนางทั้งร้องไห้คร่ำครวญรำพันรักผมดูไปก็ร้องไห้ตามไปด้วยกับเขาผมตาพร้าด้วยน้ำตาและภาพต่างๆก็หายไปผมฝันไปนั่นเองตื่นขึ้นยังใจสะท้อนสงสารเมรีหญิงอีกสองคนก็หลับอยู่ข้างผมผมจึงปลุกให้ตื่นแล้วรีบกลับเรือนกัน ในตอนเย็นคุณพ่อคุณลุงไปเที่ยวกันตอนรับประทานอาหารผมจึงเล่าเรื่องความฝันให้คุณแม่ฟังว่านอนฝันอยู่ที่เรือนแฝดคุณแม่ฟังคล้ายกับไม่สนใจเมื่อก่อนที่บ้านเรานะ่ะมีละครซ้อมกันอยู่เสมอนะคุณแม่พูดเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีละครับคุณแม่เลิกมานานแล้วอายุลูกเกิดมาเราก็เลิกกันละแมเสียดายจังเหมือนผมเกิดทันได้ดูเหมือนกันเห็นชัดดีจัง คุณแม่ฝันเนี่ยแม้ผมละสงสารนางเมรีจริงครับคุณแม่ผมพูดด้วยความจริงใจผมมารู้เรื่องคราวหลังจากยายครั้มแม่ครัวคนเก่าแก่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนสนุกดีได้ดูละครเสมอและแกบอกว่าตัวละครที่เป็นตัวเมรีนั้นได้ตายไปแล้วจับไข้าตายละครก็เลยเลิกคุณพ่อรักตัวเมรีนั้นมากเมื่อมาตายลงก็เลยให้เลิกละครทั้งหมดตัวละครต่างก็แยกย้ายกันไป ผมนิ่งฟังและนึกเห็นหน้าตัวเมรีได้ถนัดเขาสวยมากและเล่นตามบทได้อย่างน่าสงสารคุณแดงอย่าพูดถึงตัวละครเมรีให้คุณแม่ฟังอีกนะคะเยครามว่าอะทำไมละยายคุณแม่เกลียดอีกตัวเมรีนั่นแหละอย่าไปพูดถึงอีกเลยเดี๋ยวคุณแม่จะดุเอาเจ้าค่ะผมได้ยินเยครามห้ามแกมขอร้องผมก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่หน้าประหลาด นับแต่วันที่ฝันก็หลายวันมาแล้วผมยังจำหน้าจําตาของตัวเมรีได้ถนัดโดยบังเอิญคุณพ่อมีเล่มอัลบั้มติดรูปถ่ายหลายเล่มผมแอบเปิดดูอยู่เรื่อยๆและมีภาพหญิงทั้งชายเพื่อนๆของคุณพ่อทั้งนั้นแล้วก็พบรูปหนึ่งผมสะดุ้งทั้งตัวผมพบผู้หญิงคนที่เป็นตัวละครเมรีในนั้นแม้แต่จะไม่ได้แต่งละครก็จาได้หญิงคนนั้นหมสบายเฉียงนุ่งผ้าลาย หน้ายิ้มเศร้าๆหน้าประหลาดใจจริงๆผมเห็นแกในฝันในฐานะตัวละครที่ผมเกิดไม่ทันแกเสียชีวิตก่อนที่ผมจะเกิดแล้วผมฝันเห็นแกได้อย่างไรกันเล่าเพราะรูปถ่ายที่เห็นนี้เป็นการยืนยันว่าผมฝันเห็นแกจริงๆทั้งทางที่ไม่เคยเห็นแกมาก่อนเลยผมแอบเล่าให้เยครามฟังว่าได้เห็นรูปตัวละครเมรีในอัลบั้มภาพเยครามถึงกับตาถลน คุณแดงคุณแดงเห็นเขาจริงๆแหละแต่คุณแดงอย่าพูดกับคุณแม่อีกนะแกกำชับผมแล้วก็เหลียวหน้าเหลียวตาไปรอบๆคล้ายจะกลัวคุณแม่ได้ยินผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรอีกเก็บเป็นความลับไปเลยนี่แหละครับเรื่องบ้านเก่าที่รักษาไว้ไม่ได้เกิดจากฐานะของคุณพ่อและคุณลุงตกต่ำมานานแล้วผู้คนที่อยู่ร่วมบ้านด้วยก็ส่วนมากเป็นคนครั้งคุณปู่ มาหลังๆนี้ไม่เสียเงินเสียทองอะไรที่เขารับใช้เขาอยู่ด้วยความพักดีแต่ลงท้ายก็ต้องแตกเป็นแพรไปจนได้คุณพ่อก็ขายที่ให้กับรัฐไปด้วยราคาไม่งามนักแล้วก็ไปซื้อบ้านเล็กๆอยู่และบัดนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็สิ้นไปหมดแล้วผมก็ครองบ้านใหม่อยู่ซึ่งไม่ใช่แบบไทยครั้นอยากจะกลับมามีบ้านแบบเก่าอีกก็หมดปัญญาด้วยเรื่องเงิน